โยมมีแรงมหมพอไหวไมฮะตู้แล้วลับษาเนานเท่าไหร่ละรู้ตัวว่าเป็นเมื่อเดือนสองเดือนสุราหเลค่ะตอนนั้นคือแย่แล้วจากเราได้ใหญ่แล้วก็แย่ไปที่ตัาแล้วค่ะแล้วพอมาในทีนีคือแย่แล้วคิดว่าไม่รอดแล้วนะคะก็มาเริ่ม ดีมาเรก็ตอนนี้กก็ดีขึ้นเรื่อะมาณใจก็ดีก็ก็ตดสู้สู้ที่สุดแหลมีแล้วก็ตุกวันนี้ก็มีลูกหลานดูแลอยู่ที่บ้านก็ลูกตอนนี้ลูกมาเรียนหมดแล้วก็อยู่กับสามีแล้วก็มาเปิดทำมาลักษละรู่ยังรับราการอยู่รัวราการอยู่ก็ก็คือสามีก็ดูแล เราไปทํางานแล้วก็กลับมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางทางที่ทํางานก็เอื้อให้ก็เป็นเติมชื่อผมไม้ไหวจะให้กลับไานอนพก็ให้รักษาตัวให้หายดีนะะแล้วก็คือเราทํางานหลับมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวพอหายดีก็ก็ไปทํางานได้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เอื้อกัารก็มีวิตกกังวลอะไรไหม ใช่่ะตอนนี้ตอนนี้ดีจิตใจเหมือนคนปกติคิดว่าเราไม่เป็นอะไรค่ะเราเป็นคนปกติเราไม่ได้เป็นโรค ก, กับไม่ได้ไม่ลึกว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นอะไรเงี้ยกับว่าคนเราเจ็บป่วยได้ทุกคนสู้เป็นะสู้สู้น ะ, ะกำลังใจอย่างได้อยู่เพื่อนทางญาติทั้งพ่อคอะไรก็ให้กำลังใจดีมากมดีมากมประสการดีดีขึ้นมาเรื่อยๆ จนเดินได้ตัวมีแรงไปที่ทำงานจนจะเดือได้ดีละเรื่องกายเรื่องกายเราก็ต้องให้หมอช่วยนะะเรื่องใจนี่เราก็ต้องช้าตื่นมาทุกเช้าก็ใส่บาตทุกเช้าแล้วก็ที่สวนในวนในเรืกรรมในเรื่งที่ว่าคงเป็นโรคกรรมเก่าเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะทำเวียนทำกรรมมาโดยที่เราไม่ทราบสายเดืดเงี้ยเกิดขึ้นอโยมอ่ะ เป็นไงบ้างพอไหวไหมมีแพ้อะไรไหมก็มีนทั้งเีลยด้วยนทั้งเคียงว น, น, นั้นทานไม่ได้เยอะเพราะมือกระเพาะเขาขเขาตัดของไปนีเหรอเอาไส้เด็กมาทำกระเพาะทานได้น้อยะเดียวนย่เแน่นแต่ก ใ, ใจดีนอนหลับไหมลหลับนะ แล้วที่บ้านอยู่ใครอ่ะลูกสอ2คนลูกลูกคน ล, ลูกมีสองคนแต่แยกถึงคนเดียว <ừ. S 2> แต่แฟนก็แบบร้องประท้วไม่ไม่ทำอย่างนีเหรอเราต้องดูแลแฟนด้วยมั้ยก็ดูเขาก็ดูบ้านแต่มีตอนนี้ก็ยังกระขาไปเรื่อยๆนะยั่อะไรกั ง, งวลไหม กังวลยี่บ้างด้ือเปล่าไม่มีครับแก็าว่าไม่คิดิเพราะว่าอยนะจะไม่ค่อยีรอากจะหาอล้ทัาก็ใจนี้บายสคัญนะใจที่สบายเนี่ยเพราะว่ากายเนี่ยผู้เจ้าอบอกว่า จิตเป็นนายกลายเป็นเบานะจิตเป็นนายกลายเป็นเบากลายมันจะเจ็บป่วยยังไงจิตก็อย่าให้มันเจ็บป่วยด้วยนะจิตเจ็บป่วยได้ก็เพราะความกังวลความวิตกกังวลความเศร้าเสียใจความโกรธนะผู้เนี้ยความกลัวพวกนี้เนียพอมันเกิดขึ้นแล้วเนียจิตก็ป่วย พ อ, อป่วยแล้วมันก็ไปซ้ำเติมกายให้แย่ๆเลยไอ้เรื่องกายนี่ก็ให้หมอรักษาเรื่องใจก็ต้องเราต้องทำเองอารยมญ่เป็นไงบ้างไม่เครียดนระรักษาเป็นนานยัง ส, สามเดือน3เดือ น, อนพิ่งรู้เหรอร แผ่มานะอเดสิแล้วนี่เพิ่งรู้ใช่ไหมแล้วก็แพ้ไหมกำลังใจดีก็ยังกงดีอยู่นะ้ายังไงถึงกำลังใจถึดีอ่ะไอยฟังหน่อยมันเพี้ยไรแล้วคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายเวลา เรต้องอยู่โรคมั้องรักษาได้จิตเราไม่ได้ให้ครดเออเียอยู่บ้านทำอะไรบ้างไหมตอนนี้ทำงานไหมทำทไทนาเออแล้วทำงานไม่เครียดเหรอไม่เครียดตอนนี้เขาว่าฝนไม่ค่อยตกนะทำนาไม่ค่อยได้มีเครียดแ่นะทไงถึงเนี้ยก็ต้องปล่อยวางแล้วบ้างไงเพราะว่าเครียดไปก็ไม่ได้ช่วยใช่ ลงไปแล้วไงลงน้ำแล้วไนไหอ๋อก็ก็ยังดีที่ได้พักบ้างแล้วทาอะไรอีกที่ทาให้ใจสบายผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีการอย่างไบ้างูดกับลูกหลานแล้วมีเล่นมีมีเล่นมีสนนาฮาเฮกับเพื่อนไหมทำี่ขอแบบนี้ธรรมดาแหะแล้วนี่สือหา ไม่พิ่ตอกกังวลเลยนะอ่าดีต้องหาอะไรทำเนะงานอดิเรกที่เรามีก็พยายามทำให้ใจเราอยู่กับงานพวกนี้นะดูหนังดูโทรทัศน์บ้างั้มสดมนอะไรบ้างก็ับส่วนบนใส่บาทมีไหมอ่าดี นิยมก็ก็ดูก็ใจก็ดีนะนโยมเป็นไงบ้างอื ม, อ ม, อมแล้วเป็นยังไงถึงถึงมารักษาที่เนี่ยหมายถึงว่ารู้ทําไมถึงรู้ว่าเป็นอืม้วแรกก็ ่าไม่ทายะหมอมอทกโรงาลแล้วก็้กินผั ก, กเยอะ้ทายก็ไม่ทายมีไปกุเลือดไม่มีเลือดไม่มีห ม, ม้มออ่นก็เไองือมเวลากินผักแล้วตอนนี้เออ น, นีกินได้ไห<อ> ม, ไมกินได้นอนหลับ แล้วมีใครช่วยดูแลมั้ยน้องบ้าแม่อืมแล้ลูกล่ะลูกหลานไม่มมีเหรอลูกน้องลูกแม่ลูกหลานอืลูกไม่มีอืมดีอายมีก็เป็นอะไรเป็นเป็นญาติเหรออ๋ออายุม่ะญาติคนน้อยน้อยอ่ คนเราเนี่ยนะอย่างเช่อจมาบอกนะคือว่าเวลากายป่วยนะส่วนใหญ่ก็มักจะป่วยที่ใจด้วยป่วยที่ใจคือความวิตกกังวลความกลัวความเครียดนะบางทีบางคนเนี่ยร่างกายก็ยังพอไหวถึงแม้ว่าหมอพบว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าก็ยังทํางานใช้ชีวิตตามปกติกายก็ยังพอสบายอยู่ แต่ว่าใจเนี่ยมันสุดเลยนะพอใจสุดเนี่ยกายมันก็สุดด้วยนะไอ้กายกับใจสำคัญมากกายกับใจมันสัมพันธ์กันมากนะไอ้ถ้าถ้ากายไม่เป็นอะไรกับใจนี่แย่นะนะก็จะก็จะแย่ตามไปด้วยนะมีมีผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นแกก็ร่างกายก็แข็งแรงดีนะอายุสี่สบกว่า ไปตรวจสุขภาพประจําปีหมอบอกว่าหัวใจรั่วแกตกใจมากแกเข้าใจหัวใจรั่วคือหัวใจเป็นรูแล้วก็เวลาหัวใจมันสู่เวลามันเต้นเนี่ยมันมีเลือดพุ่งออกมาแกก็ตกใจอย่างนี้ก็ตายสิจริงๆเนี่ยหมอตั้งใจจะบอกว่าลิ้นหัวใจแกรั่วแต่หมอพูดไม่ครบหมอบอกแค่ว่าหัวใจรั่วพอแก เขาใจหัวใจล่วเนี่ยมันต้องตายเนี่ยแกก็ซุดเลยดูได้แค่สองวันก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ไม่กี่วันก็เข้าห้องไอซแล้วก็ไม่ออกหมายเลยทั้งที่หัวใจล่วเนี่ยร่างหัวใจรั่วเนี่ ย, ยก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ออกกําลังกายก็ได้แต่พอกาเข้าใจผิดนะพระฟังผิดแล้วก็ไปปรุงแต่งไปมโนโนะใจก็เสียเลยพอใจเสียร่างกายก็ซุดเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยไม่ร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจเนี่ยนะไม่ไม่แย่นะจิตใจไม่วิตกกังวลนะร่างกายเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวดีขึ้นได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างที่ตา ม, มาบอกนะัจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว อย่างโยมเนี่ยถ้าคิดว่าเออเรายังไหวนะใจยังสู้ร่างกายมัก็ไหวร่างกายก็สู้ได้นะใจเนี่ยถ้าระวางไว้ถูกวางไว้ดีนะแม้แต่ไอยาที่เรารับเข้าไปเนี่ยหลายคนเนี่ยแพ้แพแต่บางคนเนี่ยจะไม่แพ้เลยก็ได้ มีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งแกเล่าว่าแกเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดมะเร็งของแกเนี่ยมันเป็นจะต้องใช้การฉายแสงและฉีดเค ม, มในโดสที่สูงมากนะซึ่งโดสสูงๆมันเนี่ยปริมาณสูง ๆ, ๆแบบนี้เนี่ยแพ้แพ้มากเลยคนอื่นนี่แพ้มากแต่ว่าแกนี่ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ เพือนก็สงสัยไว้ทำไมเธอไม่แพ้นะฉายแสงก็เยอะนะคีโมก็รับไปมากแต่ทำไมไม่แพ้เธอเธอมีอะไรดีหรือเปล่านะเธอบอกว่าไม่ได้มีอะไรเลยก็เพียงแต่เรืในใจว่าเวลาเขาฉายแสงเนี่ยก็คิดว่ากำลังรับแสงสวรรค์เวลารับคีโมก็คิดว่ากำลังรับน้ำทิพนะใจเนี่ยพอคิดว่า นี่คือแสงสว่างนี่คือน้ำทิพย์เนี่ยใจมันไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านไม่กลัวพอใจมันไม่กลัวไม่กลายมันก็ไม่แพ้แต่คนบางคนเนี่ยนะพอได้ยินกีจรรับว่าฉายแสงฉีดเคอร์โมนี่จะแพ้นะกลัวแล้วพอใจกลัวเนี่ยนะร่างกายมันก็ต่อต้านพอร่างกายต่อต้านมันก็แพ้เลยเั็นใจสําคัญมากนะ ใจที่เรามองอะไรเป็นบวกเนี่ยแม้แต่ยาเคมีบําบัดหรือว่าการฉายแสงเนี่ยมันก็มันก็หมดพิษสงลงพิษสงก็จะน้อยลงนะแต่ถ้าเราคิดตั้งแต่แรกโอ้โหมันน่า ก, กลัวนะเดี๋ยวเจอฉายแสงเดี๋ยวเจอคีโมเดี๋ยวต้องแพ้แน่ๆนะพอคิดแบบนี้แบบนี้รับกลัวนะใจมันต่อต้านละพอใจมันต่อต้านนะกายมันก็ต่อต้านตามพอต่อต้านมันก็แพ้เลย นั่นใจสำคัญมากนบบางคนเนี่ยจะมาเจอคนไข้หลายคนแล้วที่เขาเขาเป็นโรคที่หลังหนักแล้วก็ปวดด้วยนะแต่ว่าเขาก็อยู่ความปวดได้มีมีโยงวิงจะเป็นมะเร็งนะแล้วก็มะเร็งก็ลุกลามไปเรื่อยๆตอนหลังเนี่ยมันก็ปวด แล้วก็โดยเฉพาะปวดเวลาตองคืนแต่เธอเนี่ยกินยาแล้วก็ปวดน้อยมากเลย <S <S เธอทำยังไงนะ<ม>เธอก็เวลามันปวดเนี่ยเธอก็คุยกับมะเร็งเพราะว่ามะเร็งตอนนี้กลางคืนแล้วนะได้เวลานอนแล้วนะเธอก็นอนนะฉันก็นอนด้วย เสร็จแล้วเธอก็กล่อมกล่อมมะเร็งร้องเพลงกล่อมมะเร็งนะเหมือนก็กล่อมลูกอะ่ะคือในใจเธอจะไม่ได้ไม่ได้เกลียดไม่ได้ไม่ได้กลัวมะเร็งเลยนะแต่ว่ามีแม่ตากับมันด้วยกล่อมมะเร็งแล้วกล่อมลูกอะ่ะใจที่มีแม่ตาเนี่ยมันทําให้ไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้กับมะเร็งนะคือถ้าใจเราต่อสู้ต่อต้านกับมะเร็งนะมันใจเราจะทุกข์นะ พอใจทุกรล้กายก็ทุกด้วยดังั้นะการรักษาใจเนี่ยสำคัญรักษาใจด้วยการมีเมตตานะหรือการมองแง่บวกนะอีกคนนึงเป็นสเก็ดเงินนะเป็นสเก็ดเงินเนี่ยปวดมากจกนกระทั่งต้องนอนบนใบตองนะแต่ว่าปวดมากๆเนี่ยเธอก็ไม่ได้กินยาแก้นะรับปวดหรือนะ เธออยู่ความปวดได้ยังไงเธอก็เราว่าเนี่ยเธอเป็นคนชอบทําบุญคล้ายโมยมนะีไปชอบใส่บาตรทุกวันเงี้ยทําบุญเสร็จก็จะพูดกับสเก็ตเงินว่าสเก็ตเงินนะฉันทําบุญมานะถ้าเธอจะไปก็อย่าลืมเอาบุญกุศลฉัาไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่ต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงนะ คือเธอไม่มีความกลัวหรือเกียดสเก็ดเงินเลยนะขณะนี้มันทําให้เธอปวดนะเธอก็ยังมีใจแผ่เมตตาให้ถ้าจะไปก็เอาบุญกุศลไปด้วยนะแต่ถ้าถ้าจะอยู่ต้องระวังนะเพราะว่ายาที่แันกินมันแรงจนเอาจจะตายได้นะบอกสเก็ดเงินมีนะว่ายาที่ฉกินมันแรงเนี่ยถ้าเธออยู่ธอต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะตายได้คือใจที่เขามีเมตตาเนี่ยเมตตาแม้กระทั่งโรคที่กําลัง เกิดขึ้นกับร่างกายของเธอเนี่ยจะเป็นมะเร็งก็ตามจะเป็นสเก็ตเงินก็ตามเนี่ยมันทําให้ใจที่มีเมตตาก็ทําให้ให้ความโกรธความเกลียดทุเรศลงแในเวลาเราเป็นเนี่ยนะเวลาเวลาเราเจอโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะสิ่งสําคัญก็คือว่านอกจากกินยาไปหาหมอแล้วเนี่ยเราต้องดูลใจของเราอย่าให้ไปโกรธไปเกลียด โลกที่มันเกิดขึ้นหรือว่าไปโกรธเกลียดอวัยวะที่มันที่มันเจ็บมันป่วยนะต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยแหมืหมกระโยมที่แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะนะสมมติว่าเจ้ากรรมนายเวรทําไม่เราปวดทําเรื่องป่วยไม่สบายนะเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วก็แผ่เมตตาเข้าไปอุทิศบุญกุ้เขไปให้ใจเราเป็นที่ตั้งแห่งความเมตตากรุณาไม่มีความโกรธความเกลียดความกลัว การมองการมองบวกก็ช่วยนะเพื่อนสมาเหี่ยคนหนึ่งเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยเธอเป็นจิตอาสาไปเจอเด็กคนหนึ่งอายุสิผมนี่ร่วงหมเลยนะผมร่วงหมเลยเพราะว่าเธอเป็นมะเร็งสมองนะแต่ว่าหน้าตายิ้มแย้มจิตอาสาก็แปลกใจ จนถึงมะเร็งสมองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทํำไมหน้าตายุ่งแยม้มชวนจิตอาสาวาดรูปเธอว่างๆก็วาดรูปนะเป็นงานดินเหล็กขณะที่ป่วยอยู่คุยไปคุยมาเธอบอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งลดลูกญนะาติเนี่ยคงเป็นมะเร็งมะลูกขวดมากเลยหนูโชคดีทจะเป็นแค่มะเร็งสมองเด็กนะพูดเนาะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอ ง, นะนะมงมออ่นะนะ คือเธอมยามมองว่าที่อะไรเกิดขึ้นกับเธอมันก็ดีดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นี้นะอันนี้เป็นเป็นเป็นมุมมองที่มันช่วยทำให้ใจเนี่ยของเราเนี่ยเป็นปกติได้นะไม่วิตกไม่กลัวแต่ถ้าคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเนี่ยตีอกชกหัวว่ า, วาทาไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้น เราสึกษาทำความดีมาสร้างห ม, มุนสร้างบุสศมาทำไมถึงเป็นต้องเป็นชั้นคิดแบบนี้เนี่ยใจแย่ๆพอใจแย่ร่างกายก็จะซรุดไปด้วยนะนะแต่ว่าคุณเด็กคนนี้แกก็ บ, บอกว่าโชคดีนะโชคดีอานที่เป็นมะเร็งสมองที่เป็นแค่มะเร็งสมองฉนะนั้นเราเราเรื่องการดูแลจิตใจของเราสำคัญมากนะการดูแลจิตใจเนี่ย หมอก็ช่วยเราไม่ได้มากหมอที่ช่วยเราด้านดูแลร่างกายแต่จิตใจเนี่ยต้องอาศัยใจและอาศัยตัวเราซึ่งถ้ามีธรรมะด้วยยิ่งช่วยนะการมีธรรมะเช่นมีเมตตากรุณาหรือว่าการยอมรับได้ว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิตเนี่ยอย่างที่โยมนะอย่างที่โยมดูเมื่อกี้บอกว่านี่เออคนเรามันความแก่ความเจ็บ ค, ความป่วยนี่มันธรรมดานะอันนี้ก็เป็นธรรมะนะ าการเห็นว่าความป่วยเป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมะพอเราพอเรามีธรรมะข้อนี้เนี่ยมันก็ยอมรับได้ยอมรับความป่วยได้แต่ถ้าไม่ยอมรับนะโอ้มันจะทรมานมากทําไมต้องเป็นชั้นชันทําความดีเท่าเห ม, มือกับท่างกุศลมาทำไมถึงเกิดขึ้นกับชั้นอะไรเงี้ยนี่แปลว่าไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับเนี่ยใจมันจะทุกข์แต่ถ้ายอมรับได้ใจมันจะเป็นปกติสุขนะ น้ำพย า, ยามพ์ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้เรายอมรับว่าเราเป็นมะเรง็งแต่เราไม่ยอมแพ้คือว่าเราก็ยังรักษาที่จริงที่อาตมายังพูดไม่ค่อยถูกนะที่บอกว่าเป็นมะเรงะ็งเนี่ยที่จริงพวกโยโมเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งนะโยโมแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวนะเป็นมะเร็งกับมีมะเร็งที่ไม่เหมือนกันนะ โยมเนี่ยแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวแต่ถ้าไปเชื่อว่าฉันเป็นมเะเร็งเมื่อไหร่แปลว่ามะเร็งเนี่ยคือทั้งหมดของฉันมะเร็งมันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวนะมันเล็กนิดเดียวอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยบางทีก็แค่เซน2เซนนะมันไม่ได้เป็นทั้งหมดของเรานะเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวเรายังเป็นพ่อเป็นแม่เรายังเป็นเรายัางเป็นอะไรอะไร อะไรอะไรต่ออะไรต้องหลายอย่างเป็นคนดีนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิ ก, กาถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งแ็ลว่ามะเร็งเนี่ยเป็นทั้งหมดของตัวเรานะมันไม่ใช่มะเร็งเป็นแค่ส่วนเซี่ยวหนึ่งเอาไวรัสววลองาูมไม่มีร้อยนะที่มันป่วยที่มันเจ็บอาจจะมีแค่หนึ่งหรือ2นะที่เป็นกระเพาะอาหารเป็นที่ลำไส้นะ ให้เรามองว่าร่างกายเรามีร้อยเนี่ยมันเสียไปสองนะอีกเกบแดยังดีอยู่อย่าไปเสียขวันนะอย่าไปมองไปที่อย่าไปมองที่สองสองส่วนที่มันไม่ดีให้มองที่เกสิบแปดที่ยังดีอยู่เช่นอะไรเรายังมีตามองเห็นโยมเดินได้ไหมโยมจับอะไรก็ได้ใช่ไมเออหูยังได้ยินใช่มะเนี่ยตาเราตาเรายังดีหูยังได้ยินนะ ขาเราก็ยังเดินได้แขนเราก็ยังทํางานได้ร่างกายเรามีร้อยส่วนเกสิบแปดส่วนหรือเกสิบเก้าส่วนมันดียังทํา ง, งานได้ปกติมันมีแค่ส่วนเดียวที่มันไม่ดีนะอย่าไปให้ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยมันมามันมาทำร้ายชีวิตเรานะเวลเาเราบอกเราเป็นมะเร็งแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ส่วนที่เป็นแค่หนึ่งส่วนเนี่ยมันมันคือทั้งหมดของเราแต่พวจริงมันไม่ใช่ นะไอ้ส่วนที่มันบกพร่องมันมีแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซนที่เหลือเรายังดีอยู่นะอาตอมาประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเกิดมาเนี่ยเป็นโรคทรัสซีเมียรทรัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคเลือดแรงมากนะหมอบอกว่าตอนที่เธ อ, อยังเด็กๆนะหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอายุยี่สิ คาซีเมียนี่เป็นโรคเลือดเป็นโรคทางกรรมพันหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบบอกว่าเธอก็อยู่ได้มาถึงสามสิกว่าตอนนี้ก็สี่สิบแล้วแต่ว่าตัวเนี่ยแคกรันตาโปนนะกระดูกกระดูกผุกระดูกเปราะเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเพรโรคเลือดมันทําให้กระดูกไม่ดีหกล้มทีไหลเนี่ยก็แขนหักขาหัก ใส่เฟืองมาสิบห้าครั้งแล้วต้องรับเลือดเป็นประจำแต่เธอเป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความสุขเนขณะที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะมีความสุขตรงกระทั่งสามารถจะมีอายุยืกนกว่าที่หมอหมอคาดการเอาไว้หมอบอกว่าอยู่ได้ยี่สบเธอก็ 30- 40สิบแล้วเธอเป็นคนมีความสุขทั้งที่ทั้งที่ป่วย กระสอบกระสะานก็ถามเธอว่าทำไมมีความสุขจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ร่างกายก็อ่อนแอเธอบอกว่าอย่างนี้ถึงเลือดฉันจะแย่แต่ฉันนัมีตาเห็นสิ่งสวยงามใจยัง ม, มีจมูกดมกลิ่นหอมหนะูฟังเพลงที่ไพเราะ ก, ก็ได้กินอาหารก็ยังอร่อยอยู่ไปไหนมา ไ, ไหนก็ได้เพราะไม่พิการนะ คือเลือกทั้งตัวเธอเนี่ยมันแย่แต่เธอไม่เอามาเป็นสาระเธอมามองว่าเอ้ยฉันก็ยังมีตาฉันยังมีหูฉันยังมีจมกูกฉันยังมีร่างกายเที่ยงปกติอยู่อย่าไปมองส่วนที่มันเจ็บป่วยให้มองส่วนที่มันดีอย่างโยมเนี่ยตาอย่างดีหูก็ยังดีกินอาหารอร่อยมั้ยยังรับรสชาติได้มั้ยเออ ใช่ไหมเดินก็ยังเดินได้ไ ม, ไ, ดไม่ใช่พิการไม่ใช่มาพึ่งเอามาพากอยากไปไหนก็ได้ไปใช่ไหมอยา ก, ไ ป, ยกไปเที่ยวก็ไปเที่ยวได้ใช่ไหมเออฉนั้นเนี่ยยังมีสิ่งดีๆในตัวเราอยู่นะอย่าไปตดจอจดจ้องกับสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันป่วยนะถ้าคิดแบบนี้จะมีกําลังนะนะลองคิดแบบนี้ดูนะ ว่าร่างกายเรามี100ส่วนเนี่ยเก้าส่วนมันดีมันมีแค่ส่วนเดียวที่มันไม่ดีมันป่วยไอ้ส่วนที่ป่วยเนี่ยตอนตอนนี้นะก็ยังพอที่จะรักษายหายได้หรือว่าบรรเทาบางคนเนี่ยไปไปจดจ่อยกั่ว่าไอ้ส่วนที่ป่วยฉันเป็นมะเร็งที่กระเพาะฉันเป็นมะเร็งที่ปอดฉันเป็นมะเร็งที่สมองคิดแต่แค่เนี่ยทั้งที่ยังไปเที่ยวได้ นะยังดูหนังก็ยังดูหนังได้กินอาหารก็ยังกินอาหารได้อร่อยนะยังมีความสุขไนะพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังมีความสุขก็ก็ควรใช้ช่วยมีความสุขนะยาวแต่กลุ่งหมวกกุ่มใจกับแค่ 1% ที่มันไม่ดีนะท่านอยากจะให้มองว่านเนี่ยโยมเนี่ยนะแค่มีมะเร็งในตัวนะแต่ไม่ใช่เป็นมะเร็งนะ นะคิดแบบนี้ฉันมีมะเร็งไม่ใช่ฉันเป็นมะเร็งอาจารย์มีนมามอบให้ด้วยนะคะดีของนำมามอบให้ทุกคนเป็นกำลังใจถ้าไม่ได้ไปใส่ปาก